น้ำใจโรงพิมสินสยามมีครั้งหนึ่งโรงพิม์สินสยามและนิมนต์หลวงตาไปเทศและรับต้นพะป่าที่โรงพิมมีคนบอกเฮียกวงเจ้าของโรงพิมว่าให้โทรศัพท์ไปหาเฮียโ่อให้มาช่วยแจกต้นพระป่าเขาแจกเก่งเฮียกวงถึงโทรศัพท์มาหาผมนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมได้รู้จักกับเฮียกวง